ผู้ใคร่ทำสัมมาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่จะสร้างใจมาบำเพ็ญกุศลตั้งใจมาปฏิบัติธรรมะและปฏิบัติกรรมฐานน้อยนักน้อยหนาที่จะมีบุญวาสนาที่จะปฏิบัติได้คนส่วนมากมันจะสนใจในเรื่องปฏิบัติธรรมการสอนของพระพุทธเจา้าแต่สนใจเรื่องการทําบุญ ตัก บ, บาตเข้าขานแจงโถสงใจมากแต่การจะสนใจปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจนะ้านั้นยากมากสมาชกต้องกล่าวว่าข้าขันแจงโถนั้น ก, นะก็ทํากันได้ไม่ว่าใครถาวบบายสังฆท า, กท า, กานก็ทําได้ถวายกับปิยพันธ์ก็ทําได้ถวายเครื่อง สังขปันจะปริวาลังเรื่องชายไม่สอยก็สามารถจะทำได้เป็การทุกท่านแต่การปฏิบรรัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นเด่นชัดในจิตใจนั้นแสนจะยากมากสองคนมีบุญวสาสนาที่จะทำได้ยากสุดๆเราจะเห็นได้เข้ามารักษาบโบสถกันก็ไปวันหนึ่ง ให้หมดไปวันหนึ่งและคืนหนึ่งเท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมนี้ใช่เป็นนั้นิจัยเป็นเช่นนั้นปฏิบัติถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทางกายกรรมธรรมวาจากรรมทางใจและกับทวารที่เราจะต้องปฏิบัติทวารสามทวารหกทวารเก้าบอบุญบอบาป ท, ที่มาผองจิตใจ ที่มาของนรกสวรรค์ที่มาของอสุภะกรรมาฐานเราก็มีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วทุกประการแต่คนที่จะซึ้งใจที่ปฏิบัติได้น่นแสน จ, จะยากมากก็อขอจเจริญพรพี่น้องอิบาสกปณิการช่างหนาไม่จะเป็นของง่ายสําเป็นของที่จะต้องเสียสละตับริโพกกังวลอย่างดีตัดเวลาที่มีประโยชน์ของท่านและ ชีวิตที่มีค่าทางบ้านเรียกว่าตาดปริโภทจะกัมวลมาสู่วัดปฏิบัติธรรมนั้นก็แสนจะยากมันเพนใจอย่างยิ่งที่เราจะได้มากในผลได้อนิสงส์ที่หลังมาไหลมาเทมาสิ่งธรรมคำสอนของพระพุจเจ้านั้นก็แสนจะยากมากไม่อพอจะมี คนที่ปฏิบัติธรรมได้นั่นคนนั่นแมวลัดเอาเปรียบยอมเสียเปรียบตลอดเดียวกัคนที่เอาลัดเอาเปรียบนั้นคนนั่นปฏิบัติธรรมไม่ได้ถึงแต่ตัวเขาบอกตัวลำบากความยากมันุนเขาก็เปิดขึ้นต่อเมื่อภายหลังไละเดือดร้ อ, อนตลอดเดียวกัเวงยนตามกรตามสนองมาเรืยๆนี่ละบุญบาปอยู่ตรงนี้กันแต่ท่านทั้งหลายอยู่ ที่เสาได้เสียสเวลาของท่านทั้งหญิงทั้งชายมาปฏิบัติกกรรมฐานขอให้ท่านปฏิบัติได้จริงจังดังกว่าแสดงออกขึ่งบุญกุศลด้วย <c oughs> กายการรมสามวิีกร 4, มกรมสี่มโนกรรมสามก็จะได้ครบ1ิดตัวท่านไปบอบาปบอบุญก็อยู่ที่คุณประโยชน์ทวานสามวรกายทวารวาจา นั่นเองวทวรรค์สิ่งมาของจิตทวารคหกที่เราต้องปฏิบัติทั้งสามสวารอันนี้ขันห้าลูกน้ำอายนาธาจินชีคือเรียกว่าทวารคหกเป็นที่มาของนรกสวรรค์เป็นที่มาของเหตุผลอยู่ใช่ทวารคหกที่มาของจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่สวรรค์หกตาให้ลูกจมูกได้กลิ่น หูยินเสียงนี่มันรับรถกายสัมผัสต่อร่างกายหนาวร้อนเป็นต้นมันก็อยู่ทวารหกที่เราต้องปฏิบัติกันนะบัดนี้เนี่ยทะวาร9ก้าพิจารณาพระกรรมฐานในอสุภะตาสองหูสองตับุกสองปากหนึ่งเป็น7ดแต่ก็ทวารหนักทวารเบาไม่มีอะไรป่อยเกิดเพื่อเลินเจริญใจจากประการได้ไม่มีอะไรสวยงาม มีแต่อสุภะกรรมฐานที่เราต้องพิจารณาในบทนั่นทีมุขหนีน้ำลายตลอดขีหูขีปากสวานหนักสวานเบามีถ่ายมีเทอยู่ตลอดรายการอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติในตัวเองเพราะฉะนั้นการํำปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่ของง่ายนะและไม่ใช่ของยาก เป็นของทำด้วยไม่ยากถ้าท่านมีศรัทธาท่านตั้งใจมาปฏิบัติก็กลายเป็นง่ายถ้าท่านมาด้วยความไม่ตั้งใจมาโดยเข้าชวนกันมาหรือมาเที่ยวมาปฏิบัติกับเข า, ไ ม, าไม่ได้ตั้งใจท่านจะไม่ยาอะไรกลับไปเลยออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากบางคนก็มาดีมาด้วยความตั้งใจมาลองบ้างไปไปหลายวัดแล้ว ก็มาลองอย่างนี้บ้างไปลองอย่างโน้นบ้างก็ไม่ได้อะไรถึดตัวไปเพราไม่จริงจังดังกว่าเพรฉะนั้นการประมาทเกิดขึ้นโดยเสบียงประการของท่านเองไม่อยากตั้งใจทำไม่มีการตั้งใจหรืประการอย่างนี้นหล่าก็ไม่ตั้งใจแล้ว่อแถมไม่ <c oughs> ไม่ทำโดยตอนติดต่อไปไป ไม่ทำเสมอต้นเสมอปลายติดต่อกันไปอย่างนี่ยขั้นการที่สามเราทำทำหยุดหยุดหยุดหยุดทำทำมันก็ออกไปในระดับที่สามที่สี่ออนแอข้ท่อเท้ใจก็ไม่ตั้งใจจริงๆเป็นเหตุความประมาทของท่านเองโดยเฉพาะห้าไม่เต็มใจทำไม่ไม่ไม่ตั้งไม่เต็มใจทำหก ไม่เดตการกระทำของตอนที่เสมอต้นเสมอปลายอย่นั้นมันออกมาชัดเจนแล้วไม่ทำโดยต่อเ น, นื่องกันมันก็ออกมาอีกกระทำหนึ่ไม่ทาไม่เสมอต้นเสมอปลายออกระท า, มมา am, ไม่จริงจริงจังทำไม่จริงไม่จังและการทำนั้นทำนี am, ่ด้ยความตั้งใจไม่ยอมทำด้วยความตั้งใจมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ เป็นเหตุผลที่ท่านทั้งหลายที่ได้ความประมาทเป็นตัวเองไม่เสมอต้นเสมอปลายเรื่อการทำนั่นก็มาเด่นมากเลยผลจากเหตุการใดก็ออกมาอย่างนี้เป็นต้นเรือการทำจิตก็ไม่เป็นสมาธิเหตุที่จิตไม่เป็นสมาธินั้นก็นเนี่องมาจากว่าเราท้อแท้ใจมากเรื่อการทำสมาธิ มันไม่ต่อเนื่องการที่เราจะต้องดําเนินงานเช่นการเจริญกุศลภาวนาเป็นต้นมันมีความหมายอย่างน <c oughs> มันท่อแท้ใจไปหมดมันไม่อดจานอดท อ, อมันไม่มีขั้นสีความอดทนต่อการใดก็ไมายาอะไรเกิดขึ้นเช่นเดียกันสมาธิก็ไม่เกิดในจิต <c oughs> ไม่เป็นสมาธิมันท่อแท้ใจไปหมดไม่มีเลยแล้วจิตก็หาความสงบไม่ได้ มันมาจิดหาความสงบไม่ได้ก็มาจากเรื่องเราว่าเราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเราไม่มีความเชื่อความเงินสายมันก็หมดทางที่เราจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ตนโดยอัตต า, าสมบัติเต่ดกการใดก็ออกมาอย่างนี้ชัดเจน <c oughs> ก็มีความหวังสร้างใจที่เราที่ท่านทั้งหลายที่มากันหลายรูปแบบมาด้วยความตั้างใจและอดทนอลอยคืนยังรุ่งวันยังค่า ท่านตัดปริพเทศกังวลได้ลแล้วมันก็จะได้มากเลยผมทุกท่านเองโดยเฉ พ, เพาะก็มันมีความหวังตั้งใจอย่างนั้นป ก, ก็ตามบางคนก็ท้อแท้ใจบางคนก็จะบตัวหวอ้ป่วยไข้บางคนก็ไม่ได้สนใจในตัวเองมันก็ไม่เกิปดประโยชน์สุิที่ผลในตัวเองโดยเฉพาะอย่างนั้นอย่างไรแล้ววิธีการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปของง่ายนะครับ โตทนบางคนเนี่ยจะมาถามที่ลากลับไปมาถามท้องหนอยุกหนอทําไม่ได้เลยกําหนดไม่ได้จริงๆถามว่าเดินตรงกลมได้ไหมไม่ได้แต่เวลาไม่อะไรก็ไม่เคยกําหนดในทวารหกนะตาให้ลูกก็ไม่เคยกําหนดหูได้ยินเสียงก็ไม่เคยกําหนดสมุกไพรถิ่นก็ไม่เคยกําหนดรีบรับบริสก็ไม่เคยกําหนดลับทานอาหารก็ไม่กําหนดไม่มีการกําหนดเลย ท่านไม่กําหนดแล้วท่านจะได้ผลอะไรแล้วแต่มีสติทั้นประชาัญญะเคี่ยวทานกายอุจจาราปัสสวะก็ะต้องมีการกําหนดตั้งสติไว้ทุกอันยบทดรับรองท่านต้องได้ผลยอดสมค่าตฉานาทุกประการแต่ที่ได้ผลนั่นคือตั้งตั้งใจจริงๆเกิดขึ้นแต่ตนเองโดยเฉพาะแต่คนอื่นก็ไม่เดือดร้อนใจเรื่องนั้นมันก็ไม่ได่าลายเกิดขึ้นสมาถาม ปวดเมื่อยกัหมดได้ไหมฉันไม่เคยกันหมดบางทีหายใจเข้าใจออกก็ยังไม่ได้สติเลยรำโคนก็บอกว่าท้องหนอยุบหนอก็ทําไม่ได้จิตไปอยู่ที่จมูกเลยก็พุโทโธไปเลยแล้วก็ไม่ไา้อะไรอีกเดินรงครมก็ไม่ได้อีกข อ, ขอเจริญพรท่านผู้ปฏิบททัติธรรมใกล้จะทำท่านจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้น ถ้าท่านไม่เคยมาหรือไม่เคยปฏิบัติเลยเนะี่ยขอให้ตั้งใจทำให้ใจยยาวให้ใจใยาวเข้าว้อย่าให้ใจสัน้นคองหนอยุกหนอมันจะได้จังหวะของมันโดยอัตโนมัติแเราให้ใจสัน้นคองหนอยุกหนョไม่ได้จังหวะเลยแล้วมันทาให้เน่ยหน้าอกเมื่อยทําให้กําหนดค้องยุกไม่ได้แถมเหนื่อยด้วยถ้าท่านให้ใจยยาว ช, ชา้า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 ถามว่าครูเขาว่ายังไงครูเขาก็บอกกําหนดเรืยเยนะ่ยไปเถอะกําหนดเลือดอย่างไรต้องแก้ก็หายใจยาวๆมันแน่นก็กํากหนดว่าเนีน่ยไอที่แน่นในี่ยมันใจลายหายาใจสั้นหายใจสั้นแล้วกําหนดไม่ได้มันก็แน่นในอกมันก็แน่นในอกแถมแน่นท้องไปอีกเลยท้องก็แน่นไปด้วยเลยไม่ได้ะไรเกิดขึ้นแล้วก็เลิกไปดูปริยายหมดโอกาสที่จะได้การกําหนดจิตได้ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญประการการเดินจงกรมก็เหมือนกันบางคนบอกมาถามอาตมาว่าไม่เดินได้ไหมบอกว่าเดินเนี่ยสำคัญที่สุดเ้ราการเดินจงกรมเนี่ยก่อนหน้าแต่ก่อนจะเดินต้องยืนหนอห้าค้งก่อนก็ยืนแล้วกันเดินแล้วกันนั่งแล้วก็นอนเดี๋ยวซ้ายแย่ขวาผู้ยตดดิขาตั้งสติไวทุกเมื่อถ้าเราไม่ทําตามนี้รับรองท่านไม่ได้ลายกลับไป สตมาถามมาหลายท่านที่มาที่นี่ไม่ได้เลยนะยืนหนอได้อะไรบ้างกาหนดได้ไหมกําหนดไม่ได้กลับไปหายใจขึ้นหายใจลงหมะไม่ได้กําหนดตามที่เราสอนเลยหายใจเข้าแลจะออกทําไมเล่าเปียนจะยืนกําหนดตั้งแต่ที่สระลงปายเท้าปลายเท้าเป็นที่สระกําหนดให้ช้าหน่อยได้ไหมยืนหนอลงไปถ้าเราหายใจยาวๆได้ อาจใช้ใจยาวได้มันจะได้ผลสติก็จะดีขึ้นการแน่นอกก็หายไปแล้วอารมณ์ร้อนก็หายไปอารมณ์เย็นก็พามาแทนที่ชีวิตก็จะไม่เป็นเป็นหมันถ้าพยากรมชีวิตก็เกิดดีขึ้นจากสติปัญญาของตนเองโดยเฉพาะอั น, นี้ประการหนึ่งขอฝาผู้ปฏิบัติไปด้วยไม่เด็ดผลมาหลายคนถามลงมายืนหนอให้ดูสิทําไม่ได้เลย ไอ้กำหนดผิดหมดตรงนี้นาเสียดายเวลาของท่านเองเนะียที่มาเรียกมันไม่เด็ดผลกลับไปแตมาแสดงความเสียดายเวลาของท่านที่ท่านกําหนดไม่ได้ไอความจริงกําหนดปวดหนอปวดขาเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรนักหนาไม่ยากเลยแตแล้วกําหนดนั้นไม่ได้เวลาปวดแล้วกําหนดปวดหนอปวดหนอบอกเคยกําหนดไม่ยอมไม่เคยก่อนไปจามจะท้ากรรม บางครูอาจารย์บอกเอาปวดจะไปกําหนดมันปล่อยมันใจเดือดมันก็าหายต่อไปอย่างขอแท้จริงปล่อยไม่ได้นะต้องศึกษาเรียกว่าสามถธ ป, ปวดหนอปวดหนอศึกษาว่ามันปวดไปแค่ไหนภาวะขึ้นอยู่ดับไปแยกรูแยกน้ำได้ไหมแยกเวทนาออกเป็นสตรส่วนได้หรือไม่ต้องกามตรงนั้นแต่เราก็ทําไม่ได้ก็ปล่อยไปตามยถารรมอีกนี่ท่านจะได้อะไรล่ะอะไรเป็นลูกอะไรเป็นนามก็ไม่รู้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 ถ้าเรากําหนดได้ของหน อ, อยุดหนอยช้าๆเราจะรู้ว่าจะเกิดดับของลูกน้ําเป็นไปนได้ยืนหนอห้าครั้งเราจะทิษาลงปลายเช้าครั้งจะปลาเท้าเอาขึ้นมาพิศาไม่ต้องไปวิจัยประเมินผลว่าร่างกายทังขานเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ให้ต้องการจะต้องมีสติอยู่กับจิตไอจิตก็อยู่กับจิตมีสติร่วมกมันด้วยกายกําหนดจิตอย่างนี้ ทำได้ห้าครั้งแล้วก็ลืมตาดูปลายท้าแล้วก็ขวายางหน่อ ช, ะชะ้าช้ายช่ยาหนอบางคนทำมาเดินให้ดูเดินไม่ได้ใช่ผ่าไปเนี่ยังไม่ทันยางบอกไปเนี่ขวายังไม่ทันยางไปเนี่แล้วก็จะได้จังหวะจากคูนอะไรเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ได้เป้นอดีตแต่อนาคตไหนเลืสมาธิจะเกิดขึ้น สมาธิก็ไม่ได้ผลอะไรเลยลเนะสมาเท่าดิฉังเกตคนที่ก็มาที่เรียกมาถามดิว่ามาปฏิบัติเจ็ดวันเดินตจงกรมไม่ได้บอกว่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าทั้งเหมืนอนใะเสียดายด้วยเนี่ไม่ได้เลยเลยแล้วก็ปวดมากกําหนดไหมฉันเลิกเลยฉันไม่เคยกาหนดแต่สอนให้ ก, หกําหนดครูอาจารย์เขาก็สอนให้กําหนดแต่ไม่กําหนดเอง นี่จะเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติหน้าชิดายเวลาที่มีค่าเวลาประโยชน์ในชีวิตทุกท่า น, นมากมันก็หมดไปแล้วก็เรียกคืนไม่ได้ทิ้งไปเลยหายใจเข้าออกอยากใจอาหายใจทิ้งมีสติก็หมดรู้อยู่เสมอเราจะอยู่ในท่า น, านั่งท่านอนท่านานก็ตามมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่เดินจงกรมก่อนเสมอบางคนก็บอกว่าฉันไม่ไดเดินไม่ชอบเดิน รอบอางานอย่างเดียวท่านจะไม่าด้อะการเดินตรงกรมเนี่ยมันเป็นที่กําหนดสิทธ์ที่ดีที่สุดอดทนต่อการเดินทางไกลยดีมากอดทนต่อการดราเพ่งเพียนที่ดีโรคภยัยท่าเจ็บก็อ า, าพาธน้อยลงไปมีโรคมีภัยท่้เจ็บก็จะลด น, น้อยถอยลงไปะการที่สี่อาหารการบริโภคนิ่มเรียก ยาเคี่ยวเคี่ยวอาหารมันจะย่อยง่ายขึ้นมันก็ละลายไปได้ง่ายขึ้นแต่การที่ห้าสมาธิตั้งอยู่ได้นานกว่านั่งแล้วเราไปนั่งเขา้ามันก็สมาธิก็ติดต่อกันไปได้ดีกว่าไม่เดินตรงจงขอตาญาณยอมไปด้วยอย่าไปชิงใช่ต้องเดินก่อนนั่งแต่มาที่นี่ทาได้จะกลับไปบ้านก็เลิกกันก็ไม่ได้อะไเกิดขึ้น มันมีอยู่หลายขั้นตอนไม่ใช่เดินขวายา่างใช้ยางแล้วก็ใช้ได้ของหนอยุกหนอแล้วก็ใช้ได้มันมีอยู่มากไม่ใช่มีแค่นแต่ที่เราสอนอแค่นี้ก็เนื่องจากว่าชั้นอนุบาลเบื้องตอน้นมันไม่ใช่ชั้นสูงไม่ใิ่งยานที่หกะแรแต่แปลว่าปฏิบัติเบื้องตอน้นแล้วก็ทำไปไปแบบอนุบาลอย่างนี้ยังมีอยู่มากหลายเพราะมันขุดขึ้นมาเรื่อยๆมันมาสอนเราทุกวัน เวทแต่จะตั้งเวทแต่จะดับโควิญญูหิรู้ได้ในเวลาที่ทำกรรมฐานมันจะเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยเรือเปลี่ยนอย่างน้มเดี๋ยวก็เปลี่ยนอย่างนี้เดี๋ยวก็เวทนาอย่างนั้นมันไม่ใช่เวทนากําหนดแล้วหายไปทุกครั้บางครั้งกำหนดแล้วมันก็เกิดใหญ่เลยอันโน้นก็ไม่ทันหายอันนี้ก็ไม่ทันหายก็ไม้แค่เกิดขึ้นการอยู่ดับไปเดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่สับสนอนุมานตลอดไปเวลานัาง่งก็มีคิด ก็พุ่งสร้างตลอดรายการเวลาเดินก็มีกําหนดพุ่งสร้าแล้วก็มีเวทนาด้วยกันทั้งนั้นแค่ปัญหามันอยู่ที่ว่าต้องกําหนดด้วยเวลาเดินจงกรมมันมีเวทนาก็หยดุดอย่าไปเดินต่อกําหนดให้มันหายเลยบางคนก็อนเนี้ยแนวทางก็เสียบอกไม่ต้องกาหนดเดินไปเรื่อยมันก็ขาดสติคนที่ขาดสติตรงนั้นแล้วครั้งหนึ่งเลยมันขาดเรื่อยๆ มันไม่เป็นสัมสติที่ติดต่อกันไปถ้ามันติดต่อไปเรื่อยๆสมาธิมันก็จะมั่นคงขึ้นทำอะไรก็เป็นสมาธิได้ง่ายต <c oughs> ิดต่อไปอย่างนั้นแต่ว่าอย่าโยมทำยืนหมอห้าั้งดับแล้วก็ททำติดต่อไปเรื่อยๆแล้วทำให้ช้าๆอย่าหายใจไวหายใจช้าๆ <c oughs> กาหนดให้ได้ถ้าทำได้แล้วดีได้หมดแล้วนั่งก็ง่ายขึ้นแล้วกาหนดนอน นอนทองเนอยุกหนาะไม่จะหลับตอนทองหรือตอนยุกจับมันให้เป็นได้เราจะได้รู้ว่าหลับตอนทองหรือตอนยุกเราจะตื่นตอนตีสี่หรือตีหนึ่งสติมันจะบอกทีระยะมันยังมีประโยชน์แต่้ารกําหนดจิดเรือยเกินนั่สติดีนอนหลับก็สบายไม่ฝันร้ายแต่ประการใดนอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขตลอดรายการมันจะออกมานแบบที่ชัด ทำอะไรก็เป็นมาเป็นผลให้ตัวเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้สําคัญมากจึงขอเน้นไว้ธรรมาถามได้คนทำไม่ได้มาบนแน่งท้องแล้วก็เลิกแล้วกลับบ้านเดินจงกรมก็ไม่ได้กำหนดเป็นอดีตนาภพใครเดินให้ดูก็ไม่เด็ดจังหวะเดินไม่เด็ดจังหว ะ, ไ ม, ไ, หวะไม่ได้ปฏิบนันธรรมก็ขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมเดินให้มันช้าที่สุด อย่าไปเหลียวแลกลอกแหลกดูที่อื่นดูที่ปลายชาทำยังไงก็ต้องดูยาปลายชาแต่ยืนหนอนะหลับตาดูโมโนภาพตั้งที่ที่ละลงไปชาปลายชาคุณทิสสันห้าครั้งพอทําได้แล้วก็ลืมตาดูกลายชาอย่าไปดูที่อื่นรับรองท่านได้ผลภายในเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวก็เลื่อนขานไปยกหนอนเหยียบหนอกระดับบางคนก็ไม่ทําก็ไม่ได้ขั้นก้นก็ยังไม่ได้ก้นจิตก็ไม่ได้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 แต่หากพวกเราหายใจยาวๆสมาธิดีมันจะมีความรู้สึกมันจะเห็นได้ชัด้องก็ชัดรูป ก, ก็ชัดยืนหนอก็ชัดเดินตรงๆรมก็ชัดทำอะไรได้จังหวจะจากปวนไปหมดสติวางได้ถูกต้องดูก็เจิตโดยสบายมากนี่ออกพรยังนี้ชั้นตอนสาคัญมากไม่ใช่หมายความว่าจะทำไม่ได้มันก็ไม่ใช่ยาก แต่เราต้องพยายามทำให้มันได้จงที่สมากราวไม่ใช่เราทำกระส่งเดชไปแล้วก็ไปนั่งคุยกันฝากว่าท่านปากไม่พูดไม่คุยกันจิตไม่เด็กคิดกุ้งกลางท่านผาบได้ผมภายในเจวันเจ็วันจะลึกเหตุการณ์ชีวิตได้แจ่มใสสองจะรู้กาเห่นกรรมที่ทำอะไรไว้สามจะแก้ไขปัญหาได้ทันทีไม่ต้องไปพึ่งขาคนอื่นต่อไป แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าท่านทำได้ตามที่กล่าวรู้ไหมหรือทําไม่ได้เราคนทําไม่ได้เลยกองรูปไม่ได้เราควมาเล่าให้ฟังว่ามีองค์ที่เนี่ยแล้วก็ไปรับอะไรรับขันทํทากรรมฐานดีก็จะไปได้ไปรับโนมก็แสอะไรสักวานกรวนอะไรก็ไม่เลยเดี๋ยวนี้เข้าโรงพยาบาลไปเนี่ยโทรมาจะมาโทรไปบอกให้เอาเข้าโรงพยาบาลนันอยู่สงขาง ไม่น่าน่าสินานะ้นด้ทําทำกรรมาฐานดีจะแทะไปรับจั ก, กรวาลกําลังจั ก, กรวาลเอาไปรักษาโลกเลยก็บาเลยใจคอไมด่ดีไปเห็นเคยยินบ้างไปเห็นเท้าอะไรต่ออะไรมากมายแล้วก็ถือว่าเก่งไปรักษาโลกหายเนี่ยนักกรรมาฐานที่วัดนี้จะแทะมาจากจงคล้าจงคาแล้วก็ผุ้แก่อีกคนหนึง่งไปร่วมกันเลย พอมาบอกว่าให้เราว่าวันทวดบาง่วดไม่ได้เพราะเราไมาเ่เคยไปสอนให้ทาสิ่งนะขาดสติไปมากเราไปหาข้าวเจ้าทรงผีสานางโกงอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าเขาแต่ปละการใดแต่มันจะเสียเวลาไปมากไปขาดสติไปมากเพราะฉะนั้นเรามีสติตั้งปัญญาดีเราจะรู้กดแห่งกรรมจากการกระทําได้ดีจะสามารถจะวางแผนชีวิตได้ถูกต้อง จะเดินทางถูกผูกสติจมีชอบจะเรียกจะขอบกุศลได้พ้นนานเป็นหลักฐานสำคัญตรงนี้เรียกสําคัญแต่และ่วนใหญ่ทํากันไม่ได้กําหนดตรงท่องเนี่ยไม่ง่ายก็ทําไม่ได้เลยจะไปทําอะไรอีกเนี่ยถ้าหากว่าทานทำตรงท่องว่องไวรวดเร็วทารใจถึงต้องเป็นธรรมเนี่ยอาจจะมีสติเพิ่มขึ้นจะมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาท่านจะรู้ตัวเองว่าเรามีปัญญาแล้ว ปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาไปอ่านหนังสือรู้่าไปทำอะไรปัญญาแก้ไขปัญหาจะไปเรียนต่อหรือจะไปทำอะไรมันก็ครองแค่ไปหมดาภาษ า, าไทยภาษาติดจะทำอะไรก็มันมีเหตุมีผลจากสมาธิภาวนานั้นสัมปชัญญะประพะก็เรียกว่าตัวสมาธิของกรรมฐานรู้ตัวอยู่ในสัมปชัญญะประา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 เดินจงกรมไม่ดูก็เดินไม่ได้จังหวะแล้วก็บอกว่าเดินได้บอกให้เดินให้ดูเดินไม่ได้เลยผิดจงังหวะหมดเนื่องมาผิดจังหวะมีสมาธิไม่เกิดเนี่ยสมาธิไม่เกิดแน่นอนมันไหนเลยจะมีสมาธิเหล่าสมาธิก็มีไม่ได้เนี่ยข อ, อปากอนุโมทนาทริสันทังหลายรุชามาตัางยววันท้านาจะออกรักษามหาปุวนาเลี้ยเหลืออีกเจ็วันสัปดาห์ข้างหน้า ส่องสาธผู้ชมทั้งหลายที่เราอยู่มาจําวัดสาจะอยู่ที่บ้านประหลที่ตั้งที่คาิฉามเข้ากรรมาฐานและภาษาโมสดตลอดใจมาสามเดือนแล้วกัวนออกภาษาเขาเรียกว่าวันปวารณามหาปวานานั้นเรียกว่ า, ามีธรรมะประจําจิตประจําใจดีแล้วก็ปวานาถึกอะไรการว่าตาักเตือนสั่งสอนกันได้ไม่โกรธกัน ไม่เคืองกันให้อภัยได้เรียกว่าวันออกพัรษาออกพรรษาแปลว่มามหาภารณาที่ประสงค์จะทำไม่อยากทำก็ประสงค์ญาติโยมผู้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นเน่ฆมปฏิบัติเป็นพระประจำใจก็สามารถจะต้องทำภารณาด้วยสามีภรรยาก็ภารณากันไม่เบียดเบียกันไม่เคืองกันถ้าใครผิดไปก็ตักเตืองกันได้ว่าเปล่ากันได้ ไม่โกรธไม่เคืองกันต่อไฟเรียกว่าวันมาหาปวนาอีกเจ็วันหนึ่งสัปดาห์ก็จะถึงในวันขนณะและวก็วันเทโวโลหะสูตวันแรมสงข้ามสามข้ามเราก็มีทุกโอกาสถอดถวายกระถิ่นาาน้ำชาเพื่อมาเสร็จสิ้นไปใช้เมืราจะต้องเดินทางไปค้นแก่นก็ต้องไปถวายกระิ่นค้นแก่นที่เราไปสร้างไว้อีกมากมาย ตอนนี้ก็เราก็ไม่ได้บอกใครที่ใครจะสงใจหรือไม่อกอไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็ชี้แจงมาพอสมควรในเรื่องปฏิบัติกรรมฐานนิดนงก่อนเพรบางคนเนี่ยทำไม่ได้จริงๆแต่อยากจะรู้โนรู้นี่มีนิดๆก็ไม่กำหนดบางคนก็มาเล่าให้สัมมาฟังเขียนทั้งยิ่งามจ่ไปเจอเราพุทธเจ้าจะไปเจอพระสาิบุตร มิตไปเจอโน่นเจอนี่อะไรให้มากนะมันจะมากเรื่องไปก็ควรกําหนดมิตเห็นหนอก็ไม่กําหนดล่อ ย, ลยให้ยืดยาวไปหมดเลยไม่ไอยาละอยุ่เช่นอยู่กันมีนี้เป็นอะไรก็กําหนดเห็นเท่านี้เล้วก็ว่าเราไม่รู้อะไรก็กําหนดรู้หนอที่ลิ้นปีกเนี่โกรธก็กําหนดที่ลิ้นปีให้จะยาวยาวเดี๋ยวก็หายเท่านี้ทําไม่ได้แล้วท่านจะไปทําอะไรเพียรกำหนดโอกาสเพียรทาได้เพีมันจะหา ย, ยาก ให้โอกาสนั้นอันนี้มีความหมายอยู่ไม่ใช่น้อยก็จะได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเึ็นทาได้ยากแต่ท่านตั้งใจแล้วว่าไม่ไม่ใช่ของอยากเป็นของง่ายขอให้ทำํำจดมนไหวพระอยู่เสมอแจะเจริญกุศลภาวนาตลอดในการรับรองได้มากในผลอย่างสมค่าศาสนาพิจาราที่ทำทั้งหลายมาอยู่พระกรรมฐานเจริญเนคขมะมะบวชเป็นเนคขมะ เรียกว่าปฏิบัติธรรมอันลึกซึ้งเรียกว่าบวชในปราศาสนานั่นเองพอถึงพระคุณปฏิัสนาจายเข้าถึงกรรมบสิทธิ์ได้สมากปาัจจณาเป็นอุมโบสถ ต, ตลอดการที่ดูพระกรรมฐานชีวิตท่านก็จะแจ่ไกสจะมีกับปัญญาแก้ไขปัญหาไดา้ชีวิตจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรตลอดการพรมสารที่ท้ายเนี่ข อ, อนมชนา ขอให้กังใจปฏิบัติท่านจะได้มัดผลโดยเชื่อ ล, ลึกเหตุการณ์ของชีวิตจักรสองจะรู้กฎแห่งกรรมที่ท่านทาอะไรไว้จะได้ไม่ปฏิเสธที่ข้อหาถ้าทําได้นะถึงจะรู้ถ้าทำไม่ได้ท่านก็ไม่รู้กฎแห่งกรรมที่ท่านผีดกรรมอะไรก็ไม่รทราบจะ่ายทําถึงได้ก็จะได้ผลว่ากรรมคืออะไรเราจะแก้ปัญหาตรงไหนจะใช้ปัญญาอย่างไร มันจะเกิดขึ้นไต่จับปัด จ, จับตังขบัติท่านผู้ได้กรรมฐานเบื้องต้นพ ร, ระดาแล้วท่านจะแก้ไขปัญหาของท่านได้ถึงชัดเจนจะขอสุดท้ายนี้ก็ขอความเจริญรุ่งเรืองทรงมีแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจะขอทุกท่านทรงเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาภิลาปฏิทานสนาสารสมบัติและเจติสิ่งประการใดสมความมุ่ง ม, มาตรฐนานด้วยการทุกข์ลูกพิณามณโอกาสบัดานี้เทิน